คนที่มีหิริรู้จักคำว่าหิริไหมหิรินี่ออกเสียงแบบไทยๆถ้าออกเสียงแบบบาลีก็หิริฮิริแล้วก็โอตับปะสองคำนี้จะมาคู่กันเคยได้ยินไหมหิริโอตับปะฮิริแปลว่าแปลว่าอะไรละอายละอายต่อบาปนะละอายต่อบาป อตับะเกรงกลัวผลของบาปละอายเนี่ยบางทีก็ละอายแบบอะไรอ่ะอายว่าถ้าเราทําอย่างนี้ไปแล้วคนอื่นก็รู้เขาก็จะประนามเอาได้เขาจะตําหนิติเตียนท่านผู้รู้ผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายจะติเตียนอย่างงี้นะหรือตัวเองจะติเตียนตัวเอง คนในครอบครัวจะถูกตําหนิติเตียนไปด้ว ย, ยคือเสียหายถึงวงตระกูลก็จะละอายไม่ทำไม่ทําบาปโอตระปะเนี่ยก็เกรงกลัวเกรงกลัวผลของบาปก็คือว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยจะถูกจับได้และถูกทําโทษถูกเจ้าหน้าที่จับไปสอบสวน ไปเข้าคุกเงี้ยนะก็กลัวไม่ใช่กลัวแล้วหนีนะกลัวแล้วไม่ทำเาหอย่างนี้เรียกว่ากลัวต่อบาปไม่ใช่ทำผิดแล้วกลัวถูกจับแล้วแล้วหนีอันนี้ไม่ใช่อย่างนี้ยังไม่โอตะปะโอตะปะคือนึกถึงโทษที่ตัวเองจะต้องได้รับแล้วไม่ทำไม่ทำบาป คนที่มีฮิริหรือฮิริแล้วมีโอตปะเนี่ยจะเป็นคนที่มีพื้นฐานดีง่ายต่อการที่จะพัฒนาตัวเองจนถึงที่สุดคือพ้นทุกข์บางคนเรานึกถึงแล้วทำไมก็ทนอย่างเลยใช่ไหมออทนนี่ก็มีสองแบบใช่ไหม ทนทนแบบทนทนแบบดีกับทนไม่ดีทนไม่ดีก็คือไม่มีหิริไม่อายแต่ทนที่ดีคือทนทนต่อกิเลสกิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันแล้วไม่ทำตามอย่างนี้นะทนต่อการกระทบกระทั่งทนต่อ คำประทุสร้ายต่างๆคนที่ทนต่อคําประทุษร้ายเราเคยถูกประทุษรายไหมเคยถูกก้นินทาไหมเคยไหมเคยเนาะตอนที่เขานินทาจริงๆเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรไใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ยิน <laughs> แต่พอรู้ภายหลังใช่ไหมเ ย, ยนี้ ต่อหน้านะยิ้มกับเราดีพูดกับเราดีแต่พอไปอยู่ก็ยันนั่นนะมันดินทาเราอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทนไม่ได้ไอ้ความทนไม่ได้นี่นแหละมันไม่ทนแล้วถ้าเรามีโทสะแล้วไปไปมีปฏิกิริยาตอบโต้กับคนนั้นเข้าไปอีกแสดงถึงความไม่อดท น, น, นก็เป็นเหตุให้เขาเป็นดินทาต่อ อย่างในหลวงเนี่ยโดนประตุสลายด้วยคำพูดเยอะแต่ท่านก็ทนไม่มีไม่มีการแสดงออกมาให้ให้รู้สึกเลยว่าท่านท่านจะพูดร้ายตอบไม่มีเลยนะหรือจะทำร้ายคนที่มาพูดร้ายให้ร้ายท่าน คนอวดรู้เรื่องในวังเยอะมากเลยอะไรก็ไม่รู้เคยเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เหมือนรู้เรื่องในวังมากเลยเนี้ยแต่ท่านก็อดทนมากไม่ตอบโต้ไม่ไม่พูดร้ายด้วยเหมือนอย่างครูบาอาจารย์บางองค์ถูกถูกให้ร้ายออกมาเป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะ หลวงพ่อประโมเนี่ยถูกให้ร้ายช่วงหนึ่งคนสันสะเทือนกันหมดเลยคนสันสะเทือนคือคนไม่มั่นคงสันสะเทือนหวั่นไหวแต่คนที่เรียนธรรมมาเข้าใจดีแล้วเนี่ยก็จะไม่หวั่นไหวแต่ยั ง, งงงว่าเขาทำอะไรกันประมาณอย่างนี้นะก็าทำอะไรกันแล้วจะตอบโต้ไอ้คนที่มาให้ร้าย หลวงพ่อเองกับต้องห้ามว่าไม่ต้องไปตอบโต้นี่แสดงถึงความอดทนทนต่อการกระทบกระทั่งเสียดสีหรือให้ร้ายต่างๆเร า, ต, าต้องเห็นบุคคลที่ท่านทำเป็นตัวอย่างอย่างดีอย่างนี้แล้วนะต้องทนให้ได้อย่างทนแบบดีนะทนแบบไม่ดีอย่าไปเอาตาม <c oughs> ก็มีตัวอย่างใช่ไหม <c oughs> ก็อย่าไปเอาตาม มีพระอยู่กลุ่มหนึ่งในสมัยพุทธกาลนะมีพระอยู่กลุ่มหนึ่งมาที่วัดเชตวันมากันมากเลยห้าร้อยรูปห้าร้อยเนี่ยอาจจะเป็นสำนวนก็ได้แต่ถือว่ามากมาแล้วก็พบกับพระเจ้าหน้าที่เป็นพระเจ้าหน้าที่ของวัดเชตวันวัดเชตวันอยู่ที่เมืองสาวัตถี เป็นวัดที่อนาธะบินธิกะท่านสร้างเอาไว้ก็มาถึงก็ด้วยความที่มามากแต่มามากไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นแต่เกิดความมากแล้วพูด <c oughs> มีการมาแล้วก็มีการพูดกันระหว่าง อาคารทุกะกับพระเจ้าถิน่นคือพระพระเจ้าหน้าที่พระเจ้าหน้าที่ก็จะจัดแจงกุฏิให้จัดแจงที่พักที่อาศัยพระที่มาก็พูดคุยจะเอาน่วนจะเอานี่หรือว่าจะไปพักตรงนั้นตรงนี้มีการพูดคุยเสียงดังเสียงดังจนถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระคันทกุดีพระคันทกุดี ใครเคยไปอินเดียใครเคยไปที่วัดเฉตวันบ้างมีมัหมอยู่ลึกมาจากหน้าประตูเยอะมากเลยนะแต่เสียงน่ะดังไปจนถึงพระคันทกุูดีพระคันทกุูดีแปลว่ากุดีแปลว่ากุติคันทะแปลว่ากลิ่นหอมกุติที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เนี่ยจะมีคนมาถวายของหอมอยู่เป็นประจา มีดอกไม้มีเทียนเทียนหอมๆ ห, หรือทูบหอมๆอะไรเงี้ยมาถวายประจําก็กลายเป็นหอมอยู่เสมอ <c oughs> กลายเป็นชื่อพระคันธกุดีเสียงดังอึกทึกไปถึงที่กุติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตัดเรียกพระอนนท์ถามว่า เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเสียงดังเหมือนเหมือนชาวประมงแย่งปลากันเคยเห็นชาวประมงขายปลาไหมเคยใครเคยไปตลาดปลาบ้างก็เรียกอะไรนะสพาปลาใช่ไหมสพาปลาเสียงดังไหมดังนะจะโวกเวกโวยวายอ่ะโดยเฉพาะที่ตลาดใหญ่ๆท่านก็ แปลกนะท่านท่านท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ทําไมเปรียบเทียบอย่างนี้เพราะว่าพระห้าร้อยรูปเนี่ยอดีตเป็นชาวประมงเลยเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยว่าทำทำเสียงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันก็เป็นให้พระอนนเนี่ยไปเรียกพระห้าร้อยรูปนี่มาพระอานนก็ไปเรียกมา พระอารรูปก็มากรา บ, กบพระพุทธเจ้าถามท่านก็ถ า, ถามถึงสาเหตุเป็นยังไงทําไมถึงเสียงดังก็บอกว่าหม่อมชั้นทั้งหลายเนี่ยพูดคุยกันเรื่องราวที่จะเข้ามาพักพระพุทธเจ้าตรัสเตือนบอกว่าเธอเข้ามาสู่สํานักของเราของเราคือพระพุทธเจ้าเนี่ เธอเข้ามาสู่สำนักของเรากลับไม่สมรวมระวังปากไม่สมมไม่สมรวมระวังกายวาจามีความขนองปากแค่นี้นะมีความขนองปากส่งเสียงดังเหมือนชาวประมงแย่งปลากันอย่างนี้พวกเธอไม่สมควรจะอยู่ในสำนักของเราพูดรุนแรงไหมพูดนะพระองค์พูดอย่างนี้เลยนะพวกเธอไม่สมควรอยู่ในสำนักของเรา พระทั้งห้ารอยรูปนะั้นะไม่เถียงสักคำหนึ่งนี่คือความน่ารักนะความน่ารักของพระทั้งห้าร้อยรูปไม่เถียงสักคํานึงว่าอะไรการแค่นี้เองแค่นี้เองเสียงดังแค่นี้เองไล่เลยเหรออะไรเงี้ยแต่ห้าร้อยรูปไม่เถียงเลยสำ น, นึกได้เลยว่าตัวเองผิดจริงเรียกว่ามีหิริและมีโอตปะถ้าเถียงนะเจอเจอโทษใหม่ห้ารอยรูปไม่เถียงยสักคา กราบลาเลยกราบลาอาจจะมีน้อยใจอยู่บ้างน้อยใจว่าโอ้เราถูกไล่แต่ว่าไม่เถียงทําตามพุทธดารัสทําตามคำสั่งของพุทธเจ้าเลยพทธเจ้าบอกว่าเธอไม่สมควรอยู่ในสารักของเราก็กราบลาออกไปออกไปไกลเลยไปถึงเมืองเวสาลีไปถึงเมืองเวสาลี ไปแล้วเนี่ยพระที่เป็นหัวหน้าของห้าร้อยรูปเนี่ยก็ไปบอกเอาละพวกเราเนี่ยถูกพระพุทธองค์ขับไล่มาด้วยความความผิดคือไม่สำรวมระวังกายวาจาทำเสียงอึกกระทึกรบกวนพระพุทธองค์จนพระองค์ขับไล่มาขอให้ทุกคนจงเข้าใจว่าพระองค์มีพระมหากรุณา นี่นะพระหัวหน้าท่านดีมากเลยนะให้ให้เราเลือกได้ว่าพระองค์มีพระมหากรุณาตักเตือนเราเรามีความผิดอย่างนี้ถ้าพระองค์ไม่ตักเตือนเราจะไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะทําให้พระองค์โปรดปรานสิ่งเดียวที่ทําให้พระองค์โปรดปรานคือปฏิบัติบูบชาออกมาอยู่ถึงเมืองเวสาลีนะจากสาวัตถีสาวัตถีถึงเวสาลีก็ไกลามากนะ แต่ระยะทางไม่มีปัญหาระยะทางไม่มีปัญหาเราจะปฏิบัติบูบชาสิ่งหนึ่งที่ท่านทั้งห้าร้อรูปเนี่ยนึกขึ้นมาได้ว่าจะปฏิบัติบูชาคือนึกถึงอะปันนกกะปฏิปทาเคยได้ยินไหมเขาวที่แล้วเคยพูดจำได้อปันนกะปฏิปทาจำได้ปะ <laughs> มีอยู่สามข้ออปันนกะปฏิปทาใครจำได้บ้างง่าย ข้อหนึ่งอินทรียสังวรนึกออกไหมถ้ากระตุนมาข้อหนึ่งอีกสองข้อตามมาแล้วใช่ไหมอินเซียสังวรแล้วก็ข้อที่สองโพชเนมัตันยุตาข้อที่3ชาคริยานุโยกอินเซียสังวรคือสัมรว์อินเซอินเ์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมรว์อินเ์จะสัมบูรณ์อินเ์ได้ดีก็คือมีสติแล้วก็ โพชเนมัตตัญญาตาบริโภคพอประมาณบริโภคพอประมาณแล้วก็มาทําความเพียรด้วยการทําความตื่นกลางวันก็นั่งบ้างเดินบ้างไม่นอนกลางคืนแบ่งเป็นสามยามกลางคืนนะแบ่งเป็นสามยามมีปฐมมยามคือยามต้นมชิมายามคือยามกลาง ปัิมยามคือยามปลายกลางคืนพอแบ่งเป็นสา ม, สามยามอย่างนี้ก็ตกประมาณยามละประมาณสี่ชั่วโมงยามต้นให้นั่งบ้างเดินบ้างไม่นอนยามกลางจะนอนก็ได้แต่นอนแล้วทำความในใจว่าตื่นขึ้นมาจะทำความเพียรต่อยามปลายคือปัิมายามหมายถึงตอนเช้ามืด นั่งบ้างเดินบ้างไม่นอนเพราะฉะนั้นจะมีเวลานอนสี่ชั่วโมงคนที่จะทำชาคิยานุโยคคือนอนตอนมัชชิมะยามก็ประมาณสี่ทุ่มถึงตีสองโดยประมาณตรงนี้เรียกว่ามัธชิมะยามตื่นขึ้นมาแล้วนั่งบ้างเดินบ้างไม่นอนทำความเพียรอยู่นี่นะจนในพรรานั้น เป็นพระอรหันตุทุกองค์เลยเป็นพระอรหันตุทุกองค์เลยนะพระพุทธเจ้าออกปรรษาแล้วท่านก็เดินเดินเดินไปท่านก็มองไปทางทิศเมืองเวสาลีอานอนท์มีอะไรอยู่ที่นั่นชี้ไปนะอานอนท์ไม่เห็นอานอนท์ไม่เห็นบอกว่าทิศนั้นสว่างเหลือเกินทิศนั้นสว่างเลยโอ้สว่างสิ พระอรหานตั้งห้0รอยรูปนะสว่างเหลือเกินทิ่นั้นสว่างมากอานอน์เธอจงส่งทูตส่งพระที่เป็นทูตไปนะคล้ายๆนี่เป็นธรรมทูตสองธรรมทูตได้แล้วจงส่งพระเป็นทูตไปนิมนต์พระห้าร้อยรูปที่เราเคยไล่นั่นนะกลับมานี่ <c oughs> ปฏิบัติบูชาแล้วได้ผลแล้วคราวนี้ <c oughs> พระองค์เรียกแล้วนะทรงพระเป็นทูตไปนิมนต์พระห้าร้อยรูปที่เราเคยไล่ไปนะให้กลับมา <c oughs> พระอนุก็ไปไปเรียกพระรูปหนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ช่วยเป็นเป็นทูตไปนิมนต์พระห้ารูปจําได้ไหมห้าร้อรูปที่เสียงดังๆนะ <c oughs> ไป <c oughs> พระรูปเนะี่ย พระนุลก็เก่งมากเลยนะใช้พระได้ถูกองค์มากเลยพระองค์นั้นเป็นพระที่มีอภิญญาพอกราบพระอานุ์เสร็จแล้วก็หายแวบไปเลยท่านบรรยายว่าเหมือนคนบุบคคลที่มีกําลังคูแขนและเหยียดแขนแวบเดียวเนี่ยถึงเวสาลีละจากเชตาวันนะตรงนี้เชตาวันนะปุ๊บเวสาลีละไปละ กราบพระอนวนปุ๊บแหวบหายไปเลยไปปรากฏอยู่ต่อหน้าพระห้าร้อยรูปที่เวสาลีไปถึงก็ไปกราบพระหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าพระอดีตชาวประมงไปบอกว่าท่านขอรับพระพุทธองค์มีพระดำรัสให้ท่านทั้งหลายเข้าเฝ้าพระทั้งหลายก็ เก็บของแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาประมาณเทีนี้เวลานะเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนอยู่แล้วคู่แขนเข้ามาแปบ๊บเดียวเพราะฉะนั้นพระอนน์ยืนอยู่เนี่ยนะแทบไม่ได้ไปไหนเลยมาแล้วห้ารอยูปสนุกไหมถ้าเราอยู่ในยุคนั้นนะมันมากเลยนะบอกให้ไปนิมนต์นึกว่าจะนานนะไม่นานเลย จากเชตวันไปหากรุงเวสาลีจากสาวัตถีไปเวสาลีนะถ้าไปอินเดียเดี๋ยวนี้นะนั่งรถกันเมื่อยก้นเลยละต้องถามคนที่เคยไปโอ้โหสมบุกสมบันมากวันเดียวมาไม่ทันแต่นี่ท่านวุ๊บปเรียบร้อยมาแล้วมาถึงก็มากราบพระพุทธองค์ถ้าเราจะให้พระพุทธเจ้า ยินดีให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูชาพระห้าร้อยรูปที่เป็นอดีตชาประมงเนี่ยออกบวชเมื่อตอนที่ตอนที่เป็นชาประมงเนี่ยไปจับปลาได้ปลาสีทองตัวใหญ่ตัวหนึ่งตอนนั้นเป็นวัยรุ่น วัยรุ่นไปจับปลาแล้วได้ปลาสีทองตัวใหญ่มาพ่อแม่ก็บอกโอ้ดีจังลูกเราได้ปลาประหลาดดีๆสีสวยๆเอาไปถวายพระเจ้าประเสณที่โกศลต้องออกเสียงว่าประเสณินิโกศลประเสณินินะสระเอสอเสือนอนหนูเนะี่ยไม่ออกว่าเสนะออกว่าเสน ประเสนทิโกศลพระเจ้าปรเสริฐนทิโกศนเห็นปลาแล้วก็โอ้ปลานี้ประหลาดไม่ได้อยากกินแต่อยากเอาไปถวายพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรแล้วจะได้ถามพระพุทธเจ้าว่าปลานี้ทําบุญอะไรมาทําไมสวยจังชาวประมงเนยนะปลาใหญ่มากนะต้องเอาปลาเนี่ยใส่เรือ เอาน้ำใส่เรืออีกทีนะเอาน้ำใส่เรื อ, อปลาใส่เรือแล้วก็แบกมาช่วยกันแบกมาไม่ยากเพราะมีตั้ง500คนช่วยกันแบกได้แบกไปหาแบกเข้าวังนะแบกเข้าวังแล้วก็ไปแบกเข้าวัดต่อ <c oughs> ไปถึงพระพุทธเจ้าตอนตลอดตั้งแต่ในน้ำจนถึงวังปลาเนี่ยหู ป, ปากอยู่พอเข้าวัดนะปลาอ้าปากเหม็นมากเลย สีสวยแต่ปากเหม็น <c oughs> <c oughs> เคยเจอไหมหน้าตาก็สวยดีอ่าปากมาแต่ละทีนี่ <c oughs> ไม่อยากฟังไม่อยากดมปลาตัวนี้นะสวยมากเลยแต่ปากเหม็น <c oughs> ทีแรกเนี่ยพระเจ้าประเสรนาะที่โกศลเน่ยจะถามแค่ข้อเดียวทําไมปลาตัวนี้สวยจังเ <c oughs> พราะได้กลิ่นเท่านั้นเองเพิ่มอีกข้อนึง <c oughs> ทำไมปลาตัวนี้สวยจังและทำไมปลาตัวนี้ปากเหม็นเนี <c oughs> ่โดยเจ้าก็ตรัสเล่าวิบากของปลาตัวนี้บอกปลาตัวนี้นะสมัยในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัดสปะพระพุทธเจ้าของเราปัจจุบันเนี่ยถ้าจะเรียกให้ตรงแล้วก็คือมีพระนามว่าโคตมะในอดีตที่ถัดไปเนี่ยองใกล้ๆเลยก็คือ พระนามว่ากัสสปะในครั้งศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะหลังจากพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะปรินิพานแล้วศาสนายังคงอยู่ปลาเนี่ยเคยบวชเคยบวชพระบวชพร้อมกับพี่ชายแม่ก็ตามบวช ด, ด้วยมาเป็นภิกษุณีน้องสาวก็ตามมาบวช ด, ด้วยเป็นภิกษุณีดีไหมครอบครัวนี้ดีไห ม, ด, ไหมดีนะ พี่ชายกับน้องชายมาบวชเป็นพระเป็นพระภิกษุก็ไปถามว่าธุระในศาสนานี้มีอะไรบ้างพระท่านก็ตอบว่าธุระมีสองอย่างอย่างแรกก็เรียนเรียนเรียนแล้วก็ท่องจําถ้าคนสมัยนี้ก็เรียกว่าอะไรคันธุระแต่สมัยนั้นเรียกว่าปริยัติธุระปริยัติธุระคือเรียนปริยัติท่องจําให้ดี ดำรงพระศาสนาเอาไว้นี่นะดรงคาสอนของพระพุทธองค์เอาไว้อีกทุระหนึ่งคือเรียนไม่ต้องมากเรียนสูตรสองสูตรก็พอแล้วเรียนกรรมฐานอยู่กับครูบาอาจารย์หพัรษาแล้วออกไปปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ทุระอันนี้สมัยนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาทุระแต่สมัยนน้นเรียกว่าวาสธุระ ไม่ต้องจำศัพท์นะรู้ว่าศัพท์ที่เราคุ้นๆก็คือคันธุระและวิปัสนาธุระพระที่เป็นพี่ชายเห็นว่าตัวเองเนี่ยอายุมากแล้วไม่เรียนละไอ้ที่ท่องจำเยอะๆไม่เอาขอไปพ้นทุกข์ก่อนก็ไปเข้าสำนักครูบาอาจารย์อยู่ 5, ห้าพรรษาแล้วออกไปปฏิบัติแล้วก็เป็นพระอรหันต์ส่วนน้องชายน้องชายเห็นว่ายัางไม่แก่ จริงก็อายุไม่มากกันไม่ต่างกันเท่าไหร่นนะแต่มองว่าตัวเองยังไม่แก่ก็ <c oughs> <c oughs> <g oda> เลยเลือกที่จะทำธุระคือคันถถธุระก่อนปรากฏพอเรียนแล้วก็เมา <c oughs> ความรู้ <c oughs> ก็ทพายเมาได้นะเมาความรู้พอรู้มากคนยกย่องมากมีบริวารมากเมาบริวาร บริวารมากก็มีลาบสการะมากก็เมาลาบสการะเมายศเมาตําแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่แล้วลืมไอ้ทีแรกเนี่ยตั้งใจจะทำคันถะธุระก่อนแล้วจะทำวิปัสนาธุระภายหลังพอเมาแล้วก็เลยลืมวิปัสนาธุระได้คันถะธุระอย่างเดียวเมาแล้ว ถ้ายัางรักษาเอาไว้ได้รักษาคัน ธ, ธุระเอาไว้ได้รักษาปริยัตเอาไว้ได้ก็ยังดีแต่นี้เมาแล้วแสดงความเมาหนักเมาแล้วเป๋ก็คือชักจะชักจะย่ามใจเราพูดอะไรไม่มีใครกล้าขัดเจอคนอย่างนี้ไม่เคยเจอคนอย่างนี้ั้ยพูดอะไรแล้วลูกน้องคอยประจบสอบพลอ ดีครับท่านใช่ครับนายดีครับนายใช่ครับผมอะไรประมาณเนี้ย น, นะใครมาถึงไปอยู่ไหนก็มีคนตามเข้าไปประจบสอบพร อ, อยู่เมืองไทยก็ตามไปเมืองนอกก็ตามไปตามหมดเลยอะไรเงี้ย น, นะไปมันจะลืมตัวเมาเมาอำนาจเมายศเมาตำแหน่งเมาในบริวารทั้งหลายมันก็เลยกล้ากล้าที่จะพูดอะไรต่างๆ แม้ที่จะไม่เหมาะสมพระรูปนั้นชื่อกปิละชื่อกปิละเป็นอาจารย์ใหญ่มีบริวารมากเมายศเมาตำแหน่งเมาบริวารแล้วก็เลยทดสอบทดสอบบารมีตัวเองด้วยการพูดพูดแบบแปลกๆพูดที่ไม่ตรงพระธรรมวินยัยแล้วลองดูซิว่ามีใครกล้าค้านไหม พูดไปแล้วก็ไม่มีใครกล้าค้านเพราะอะไรบริวารทั้งหลายก็เกาะผลประโยชน์อยู่ถ้าค้านนดเดี๋ยวถูกขับไล่ถูกไม่เข้าพวกก็เกาะอาศัยผลประโยชน์จากที่อยู่อยู่กับหมู่นี้ไม่กล้าค้านแต่พระที่รักดีมีอยู่พระที่เคารพในพระธรรมวินยัย พอได้ยินว่าเอ๊ะทาไมท่านกปิละพูดอย่างนี้จะทัดทานเองก็ไม่กล้าแต่รู้ว่าพระพี่ชายของท่านเนี่ยเป็นพระดีก็เลยเข้าไปกราบพระพี่ชายบอกพระพี่ชายของท่านว่าพระกัิละเนี่ยชักจะเอาใหญ่แล้วนะชักสอนอะไรเพียเพ้ยนๆนะชักจะมีข้อวัดอะไรแปลกๆไม่ตรงตามพระธรรมวินยัย ขอนิมนท่านไปตักเตือนพระน้องชายทีคือพระกัปปิระเนี่ยพระพี่ชายก็ไปเตือนไปเตือนก็ไม่ฟังไม่ฟังแถมยังเขาเรียกอะไรพูดจาให้ร้ายจะว่าด่าไหมด่าแบบสุภาพ <c oughs> บอกว่าท่านบวชเมื่อแก่ ท่านจะรู้อะไรคันธะทุระท่านก็ไม่ได้เรียนปริยัตอะไรต่างๆท่านก็ไม่ไเรียนไม่รอบรู้ท่านจะมาทักท้วงอะไรท่านเอาหลักฐานอะไรมาทักท้วงท่านไม่รู้อะไรท่านเป็นเหมือนพระกรรมมือเปล่าก ร, รมมือเปล่าคือแบมาไม่มีอะไรสุดปลาคือไม่เชื่อพระพี่ชายท่านก็พูดมาคำหนึ่ง บอกว่าพระผู้ปรารถนาดีจะเตือนไม่เกินสองสาครั้งนี่นะพระผู้ปรารถนาดีจะไม่เตือนเกินสองสาครั้งเพราะถ้าเตือนเกินสองสาครั้งผู้ถูกเตือนจะประทุษร้ายผู้เตือนแล้วท่านก็เห็นว่าถ้าประทุษร้ายผู้เตือนคือประทุษร้ายท่านน่ยจะมีโทษมากเพราะ ตอนนี้ท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะแค่พูดกระทบแค่นี้นะพูดให้ร้ายแค่นี้ก็บาปมากแล้วถ้าเตือนอีกสองทีนะคราวนี้อาจจะให้บริวารหรือตัวเองทําร้ายเลยก็ได้เพราะฉะนั้นบาปแค่นี้เพียงพอแล้ว <c oughs> พระอาหารหันต์ก็มีพระกรุณานะ <c oughs> กรุณาต่อ น, น้องชายว่าเรามาเตือนแล้วก็ไม่ฟังถ้าเตือนอีกจะบาปมากกว่านี้อีกเลยหยุดเตือน แล้วก็กลับไปกัปปิระยิ่งพองใหญ่เลยพองใหญ่เลยนะพอพระพิชายกลับไปก็ถึงวันอุโบสถก็ไปนั่งบนธรร ม, มาสในโบสถ์บนธรร ม, มาสในโบสถ์เนี่ยก็ก็จะต้องเตรียมที่จะสวดปฏิโมกวันอุโบสถเนี่ยพระจะต้องสวดปฏิโมกพระกัปิระขึ้นธรร ม, มาสเสร็จ ถามพระที่มาประชุมหมดเลยบอกว่ า, ว า, วาเอ๊ปฏิโม่เนี่ยสมควรกับเราเหรอพูดกันาดนี้เลยนะเราจะลงปฏิโ ม, หหม่หรือไม่ลงปฏิโม่เนี่ยมันสำคัญอะไรมากมายนักเหรอจเป็นไหมเนี่ยจำเป็นไหมเนี่ย